จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัท อ, อุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่23มีนาคมพุทธศักราช2553เป็นวันพระวันธรรมสวัสวันฟังธรรม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งสี่คณะได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆเพื่อจะได้มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริง ที่จะเกิดขึ้นตามมาอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของทรพทธเจ้าแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติแล้วผลคือทำขั้นต่างๆก็จะเป็นผลตามมาตัาง้ต ง, ต ง, ตงแต่ทำขั้นสุขคติคือพบของมนุษย์ของเทพและของเทวดา ของพรหมและของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาตามลําดับจนถึงผลขั้นสูงสุดคือพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต ส, สาวลกทั้งหลายได้ไปรอพวกเราอยู่แล้วพวกเราก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายถ้าเราได้ปฏิบัติ ตามที่ท่านได้ทรงสั่งสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันตสาวกก็ดีหรือพวกเราก็ดีนั้นไม่ได้ตายสิ่งที่ตายนั้นไม่ใช่พวกเราเช่นร่างกายของพวกเรนี้ไม่ใช่ตัวพวกไม่ใช่ตัวเราของเราใจของเรานี้ไม่ตายใจของเรานี้จะไปนิพพานหรือจะไปนรกก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะไปสู่พระนิพพานถ้าเราไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบเราก็จะต้องไปนรกไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับฐานะของเราว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นพระหรือเป็นคารวะฐานะเหล่านี้ไม่ได้ เป็นตัวรับประกันว่าเราจะไปสูงหรือไปต่ำแต่การกระทำของเราเท่านั้นที่จะรับประกันว่าเราจะไปสูงหรือไปต่ำถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราต้องไปสูงอย่างแน่นอนถ้าเราไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบเราต้องไปต่ำอย่างแน่นอนไม่มีใครที่จะมาปฏิเสธหลักของกรรมนี้ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิเสธหลักกรรมไม่ได้พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ปฏิเสธหลักกรรมไม่ได้ไม่มียกเว้นใครทังนั้นถ้าทำดีแล้วย่อมได้ดีเสมอทำชั่วย่อมได้ชั่วเสมอนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเพราะพวกเราทุกคนยังมีการกระทำกันอยู่ เรายังทำบาปบ้างทำบุญบ้างปฏิบัติดีบ้างไม่ปฏิบัติดีบ้างผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราจึงลุ่มรุ่ ม, มดอนดอสูงสู ง, สงต่ำตำ่บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์เหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจ ดังนั้นเราจึงต้องมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพเพื่อเราจะได้รู้ว่าการคิดดีคิดอย่างไรการทําดีทําอย่างไรการพูดดีทําอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราทําตามความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็จะทําผิดบ้างถูกบ้างส่วนใหญ่จะผิดเพราะใจของเรานี้ยังไม่มี ดวงตาเห็นธรรมยังไม่เห็นความถูกผิดอย่างแท้จริงเราจะเห็นความถูกผิดตามความรู้สึกของเราถ้าเราชอบอะไรเราทำในสิ่งที่ชอบเราก็จะคิดว่าเราทำดีถ้าเราไม่ชอบแลวเราทำสิ่งที่ไม่ชอบเราก็จะคิดว่าเราทำไม่ดีแต่ความจริงนั้น มันไม่ได้อยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่ถูกหรือไม่ถูกอยู่ที่คุณหรืออยู่ที่โทษต้องดูตรงนี้ถ้าเราทำอะไรเราต้องถามตัวเองว่าถูกตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ทำแล้วเกิดโทษหรือเกิดคุณถ้าทำแล้วเกิดโทษกับตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดี หรือทั้งกับตัวเราและกับกับผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีไม่ควรกระทําเช่นการทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาถ้าทำไปแล้วจะเกิดโทษกับเราเองและเกิดโทษแก่ผู้อื่นเพราะถ้าเราไปฆ่าผู้อื่น ก็ทำให้ผู้เขาต้องทุกข์ทรมานใจแล้วเราก็จะต้องถูกญา้หน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษแล้วหลังจากที่เราตายไปแล้วจิตของเราก็ยังต้องไปใช้โทษต่อในอบายนี่คือการกระทำที่เกิดโทษจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะเป็นใครก็ตามไม่สำคัญ ถ้าทำแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปลบล้างไม่ได้ล้างบาปไม่ได้การล้างบาปนี้ไม่สามารถทำกับบาปที่เราสร้างขึ้นมาแล้วแต่เราสามารถลบล้างบาปที่เรายังไม่ได้ทำขึ้นมาได้เช่นถ้าเราไม่อยากต้องไปรับกรรมในอบายเราก็อย่าไปทำบาปอย่าไปทำกรรม แล้วก็ต่อไปก็จะไม่มีผลที่จะส่งให้เราไปใช้บาปใช้กรรมในในอบายเช่นพระ อ, อริยะเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านสามารถป้องกันไม่ให้จิตของท่านไปเกิดในอบายได้ท่านได้ล้างบาปของท่านได้ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทําบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานี่คือวิธีล้างบาปที่แท้จริงไม่ใช่วิธีอื่นไม่ใช่ไปทำบุญสังฆทานแล้วจะล้างบาปได้ไม่ใช่รักษาศีลอย่างเดียวแล้วจะล้างบาปได้ต้องทำให้ครบทั้งหมดทานก็ต้องทำศีลก็ต้องรักษาภาวนาก็ต้องเจริญต้องปฏิบัติ ถ้าทมได้ครบแล้วเราก็จะสามารถที่จะล้างบาป ท, ที่จะสมให้เราไปเกิดในอบายได้แต่บาป ท, ที่จะตามมาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่สามารถที่จะยับยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังมีวิบากมา มานบกวนพระพุทธเจ้าเช่นพระเทวทัตที่เป็นคู่คบาปคู่กรรมกันมาก็มาตามจองเวรจองกรรมพยายามที่จะป่งปะชนชีพของพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเรืยกันแต่บา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี้มีใหญ่หลวงมากจึงไม่สามารถ บ่งพชนของชีวิตของพระพุทธเจ้าได้นี่ก็คือเรื่องของการทำบาปทำกรรมถ้าไม่อยากจะรับเคราะรับบาปรับกรรมรับวิบาปที่เราทำก็อย่าไปทำกรรมโดยเด็ดขาดแล้วถ้าอยากจะหนีให้พ้นจากกรรมก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาถึงจะสามารถ พ้นจากบาปคืออบายได้ถ้าบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอารหันต์นี่คือวิธีล้างบาปของทางพุทธศาสนาแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปทำบาปเราจะได้ไม่ต้องมาล้างบาปกันการศึกษาพระธรรมคำสอน มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการศึกษาแนวทางที่เราไม่รู้มาก่อนนั่นเองเราไม่รู้แนวทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตรัสรู้และมาสั่งสอนสามโลกจะไม่มีสามโลกแม้แต่ตัวเดียว ที่จะสามารถปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สารโลกแล้วก็มีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจำนวนมาก พระอรหันต์ทั้งหลายนี้เกิดขึ้นได้จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสรงสั่งสอนแล้วจะไม่มีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นเลยจะต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระศาสนาพระธรรมคำสอนก่อนพอประกาศแล้วก็จะมีพระอรหันต์เกิดขึ้น เป็นจำนวนมากอย่างในสมัยของพระพุทธเจ้านี้ก็มีผู้ฟังเทศฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นเป็นจำนวนมากพร้อมๆกันเลยสแสดงธรรมครั้งหนึ่งมีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ถึง500รูปเป็นต้นเกิดจากพระปัญญาบรารนีของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพุพุทธเจ้าที่เปลี่ยนเหมือนแสงสว่างในที่มืด น, นั่นเองพวกเราถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของ พ, พุทธเจ้าก็เหมือนอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสวา่างเมื่อเราไม่มีแสงสวา่างเราจะมองเห็นอะไรเราจะทำอะไรได้อย่างไรเราจะเดินไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ไปชนหรือไปเตะ ข้าวของต่างๆได้อย่างไรเราต้องมีแสงสว่างเช่นเดียวกับดวงจิตดวงใจของพวกเราที่กําลังมองหาที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดการแกร่การเจ็บและการตายใจของเรานี้กําลังหาทางออกกันพวกเราทุกคนไม่ปฏิเสธ ว่าเราไม่ต้องการความทุกข์กันพวกเราทุกคนต้องการความสุขกันและการที่เราจะพ้นจากความทุกข์และเกิดมีแต่ความสุขได้ก็ต้องรู้จักแนวทางที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ mm hmm. การศึกษาจึงเป็นงานข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับพวกเรา คือปริยัติธรรมปริยัติธรรมนี้แปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนมือนกับการศึกษาแผนที่ที่เราจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเราจะเดินทางไปไหนที่เราไม่รู้จักเราต้องหาแผนที่ก่อนเปิดแผนที่ดูว่าถนนหมายเลขอะไรทางหลวงหมายเลขเท่าไหร่ จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้พอเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางตามแผนที่ไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้จะไม่หลงทางแต่ถ้าเราไม่ดูแผนที่เราจะหลงทางเราจะไปไม่ถึงเพราะเราจะไม่รู้ว่าทิศที่เราต้องการสถานที่เราต้องการจะไปนั้นอยู่ทิศไหนกันแน่อยู่ทิศเหนือหรืออยู่ทิศใต้ อยู่ทิศตะวันออกหรืออยู่ทิศตะวันตกเราต้องอาศัยแผนที่ที่ถูกต้องถ้าเป็นแผนที่ที่ไม่ถูกต้องก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันต้องมีแผนที่ที่ถูกต้องและแผนที่ที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็คือแผนที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเขียนไว้ให้พวกเรานี้เท่านั้นเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพระองค์เองไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองดังนั้นผู้อื่นจะสอนจะเขียนแผนที่ให้พวกเราเดินตามก็จะไม่สามารถพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีแผนที่ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็คือพระพุทธศาสนานี้เพียงศาสนาเดียวในโลกที่จะสามารถพาสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสนาอื่นไม่สามารถทําได้เพราะผู้ที่สอนศาสนาอื่นนั้นยังไม่สามารถเดินทางไปสู่การสิ้นสุด แห่งการเวียนไหวตายเกิดได้นั่นเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอมีพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีพระอาหารหันตสาวกเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากที่จะแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงไม่สูญหายไป อยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะมีพระอาหารหันตาสาวกสืบทอดพระธรรมคำสอนแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ามีการศึกษาคือมีปริยัติธรรม แล้วก็มีการปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการบรรลุธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมทั้งสามส่วนนี้เกี่ยวข้องกันและมีความจำเป็นต่อกันต้องมีปริยัตเพื่อนาไปสู่ปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะนาไปสู่ปฏิเวทการ บรรลุการหลุดพ้ น, เ, นเมื่อมีปฏิเวทแล้วก็จะมีการเผยแผ่ตามมาเมื่อบรรลุแล้วรู้จากทางแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็สามารถนำเอาม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปได้นี่คือธรรมที่จะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่กับโลกไปได้เป็นเวลาอันยาวนานเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกที่มีศรัทธาที่มีวิริยะคือความอุตสาหะพยายามที่จะศึกษาและปฏิบัติ อ, อยู่ที่ทำทั้งสามสี่ประการนี้คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทและการเผยแผ่ แต่ต้องทำตามขั้นตอนข้ามขั้นตอนไปไม่ได้เช่นศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วก็ไม่บรรุแล้วก็ไปเผยแผ่สั่งสอนเลยอย่างนี้ก็จะสั่งสอนไม่ได้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถสั่งสอนตามความเป็นจริงได้เหมือนคนที่ยังไม่ได้เดินทางไปถึงสถานที่แห่งหนึ่ง แล้วจะมาสอนผู้อื่นว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นอย่างไรได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้ก็จะสอนไปตามจินตนาการสอนไปตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเราไม่เคยไปต่างประเทศเช่นถ้าเราไม่เคยไปประเทศสหรัฐอเมริกาเราจะบอกได้หรือไม่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี้เป็นอย่างไร เราก็จะบอกได้เพียงแต่สิ่งที่เราเคยได้อ่านหรือได้เห็นในรูปภาพเท่านั้นเองแต่มันไม่เป็นความจริงครบทั้งหมดเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรหนาวมากไหมร้อนมากไหม คนที่นั่นเป็นอย่างไรเป็นคนดีไหมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนใจบุญหรือเป็นคนใจบาปสิ่งเหล่านี้เราจะดูได้ต่อเมื่อเราไปถึงสถานที่นั้นแล้วเช่นเดียวกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั้นก็ต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก่อนเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราหลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว เราจะสามารถสอนได้อย่างถูกต้องว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับถ้าเราได้รับการรักษาให้หายจากโรคแล้วเรารู้แล้วว่ายาชนิดนี้เป็นยาที่รักษาให้หายได้เราก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าใครเป็นโรคชนิดนี้แล้วให้เอายาชนิดนี้ไปรับประทาน เราจะหายจากโรคได้ทันทีเพราะเราได้พิสูจน์แล้วเราได้รับประทานยานี้แล้วและได้หายจากโรคนี้แล้วนี่คือการปฏิบัติเรียกว่าเป็นการพิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติไม่ได้พิสูจน์ด้วยการจินตนาการด้วยการคิดไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ บางคนศึกษาตรียติธรรมแล้วก็หลงตนเองคิดว่าตนเองนั้นได้บรรลุเป็นพระอริยะเจ้าแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังมีกิเลสอยู่เต็มในหัวใจพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกวิปัสสนูหรือเป็นพวกที่หลงตนเองเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเช่นพระเทวทัตเป็นตัวอย่าง พระเทวทัพนี้ก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติบ้บางแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุเพียงอิทธิริธเท่านั้นเองใจก็คิดว่าตอนเองนั้นได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วก็อยากที่จะมีอำนาจมีบาณีเพื่อปกครองสงฆ์ก็ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า โดยอ้างว่าพระพุทธเจ้านี้มีอายุมากแล้วควรที่จะมอบภาระให้แก่ผู้ปกครองสงต่อไปแต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระเทวทัตนี้ยังมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจจึงไม่ทรงอนุญาตพระเทวทัตก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาโลภแล้วอยากได้อะไรพอไม่ได้แล้วก็จะเกิดความโกรธ พอเกิดความโกรธก็จะคิดทํทำร้ายผู้อื่นก็พยายามที่จะลงประชนของพระพุทธเจ้าถึงสครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถทำได้แล้วในที่สุดก็ต้องถูกธรณีสูบไปด้วยเพราะความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเพราะคิดว่าตนเองบรรลุแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรา ที่ยังศึกษาและยังไม่ได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานขอให้เราระมัดระวังอย่างมากในเรื่องการอบรมสั่งสอนผู้อื่นเพราะจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณเพราะเราจะพาให้เขาหลงทางนั่นเองเห็นผิดเป็นชอบไปได้แล้วก็จะกลายเป็นบาปตามมาต่อไปถ้าเรายังไม่รู้จริงเห็นจริง อย่าไปสอนผู้การบอกเขาว่าเราไม่รู้จริงเห็นจริงนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าไม่รู้แล้วอย่าไปพูดจะดีกว่าพูดไปแล้วก็จะทำให้คนนั้นไข้เขวและหลงทางได้นี่คือความสำคัญของการปฏิบัติต้องปฏิบัติจน บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงจะสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำและจะเกิดคุณเกิดประโยชน์โดยถ่ายเดียวและจะทำให้ศาสนานี้มีอายุยืนยาวนานมีความมั่นคงถ้าเราสั่งสอนแบบผิดผิดถูกถูกคนนําเมาไปปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกแล้ว ศาสนาของเราจะไม่มั่นคงศาสนาของเราจะมีความคว้ายวมีความสับสนจะทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่เกิดศรัทธาจะทำให้ผู้ที่มีศรัทธาแล้วนั้นเสื่อมศรัทธาเพราะไม่สามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ศึกษานั้นได้เกิดประโยชน์ได้นั่นเอง ถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ตรงหลักของความจริงแต่ถ้าเป็นคำสอนที่ตรงหลักกับของความเป็นจริงแล้วจะสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดขึ้นและจะรักษาศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธาให้คงไว้และให้มีมากเพิ่มขึ้นไปได้เพราะเมื่อเขานำเอาสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติ แล้วเกิดผลขึ้นมาผลนี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดมีศรัทธาแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลนี้จะมีความท้อแท้จะมีความเสื่อมในศรัทธาได้จะมีความไม่มั่นใจว่าคำสอนนี้ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติมาแล้วทำไมไม่เห็นผลเหมือนกับได้ยามาแล้ว รับประทานเข้าไปแล้วแต่ไม่หายจากโรคเสียทีก็จะทำให้สงสัยได้ว่าเป็นยาที่รักษาโรคได้จริงหรือไม่ mm hmm. นี่คือเรื่องของการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติไม่บรรลุธรรมแล้วก็เอาไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปผลเสียหายจะเกิดขึ้นกับาศาสนา mm hmm. เกิดขึ้นกับตนเองและเกิดขึ้นกับ ผู้ที่มาศึกษาเริ่าเรียนเราจึงไม่ควรข้ามขั้นตอนไม่ควรเดินทางลัดเพราะไม่ใช่เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เดินนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ศึกษาแล้วค่อยไปปฏิบัติแล้วค่อยบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วค่อยนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหน่อง แล้วจะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็จะเป็นผู้รับสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปถ้ามีการปฏิบัติอย่างเขมีการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งสีประการนี้อย่างเคร่งครัดแล้วจะรักษาให้ศาสนานี้คงอยู่ไปได้เป็นเวลาอันยาว ศาสนานี้จะไม่เสื่อมหรือจะไม่ถูกทำลายจากบุคคลภายนอกแต่จะถูกบุคคลภายในคือพุทธบริษัทสีนี่แหละที่จะเป็นผู้ทำลายพระศาสนาถ้าไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ศาสนานไม่ได้เสื่อมจากบุคคลภายนอกแต่เสื่อมจากบุคคลภายใน เสื่อมจากการไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองจึงขอให้เราพยายามยึดมั่นแนวทางของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะได้ยินได้ฟังธรรมสักหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยถ้าฟังมากกว่า น, นั้นได้ก็ยิ่งดี เหมือนกับการรับประทานอาหารถ้ารับประทานมากก็ยิ่งดียิ่งอิ่มมากถ้ารับประทานน้อยก็จะอิ่มน้อยอาหารไม่มีโทษฉันใดพรธรทมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโทษฉันนั้นได้ยินได้ฟังมากเท่าไหร่ก็จะเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วจะทำให้เราสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็จะบรรลุผลอย่างแน่นอนอยู่ที่การศึกษาก่อนแล้วก็ปฏิบัติพระพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันธรรมสวนาะก็คือวันพระนี่เองเพื่อเราจะได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกแล้วมาศึกษามาปฏิบัติภารกิจทางศาสนาเพื่อชีวิตจิตใจของเรา จะได้มีความสุขจะได้มีความทุกข์น้อยลงไปไม่มีทางอื่นมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นคือทางของพระพุทธเจ้าทางแห่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี้เท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงและการหลุดพ้นจากบุคคลเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแท้จริงจึงขอฝาก เรื่องของการมาวันเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อปฏิเวทคือการบรรลุผลจากการปฏิบัตินี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้